เอี๋ยวพันธุ์พิมพ์มันาะม่ขมัดเลยมากมาเวลาภาวนาเนี่ยพันธุ์พิมพ์จะแตกตามามากพอแล้วเลยนี่มันนั่งจะทาให้มันเกิดขึ้นม า, าได้ถ้าเนานิ่งยากเวลาเนี่ยต้องในเวลาหนึ่งจะตึงอยู่กับุดโทหรือกธรรมทานที่บอกใช้เป็นเครื่องควบคุมกำลับใจถ้าอยู่กาลังไปนั้น มัไ่านอยู่อยางรเอียเดี๋ยวเดี๋พกเรก็คดนั่นนั่นีทรไม่สงบแต่เราสามารถกลักับให้ได้หรือพอพิจารณาพิารทงวันไต้องทำามอคิดเรื่องอะไรนกจากพิจารมาเรื่องนมันน่าสงบเพรามันคิดอย่างเดียวคิดเรื่องี้นะมันเรื่องนี้นันสบเทำไม่ได้เพราะนั้นอึดมันเหมือกับการตเยอกัน ตัวท e> ี่อยากจิตพนันก็จะแยกเล็มไชิันวอลิฟาทโธต้องมาดกวัตในาอยากที่ไม่ชลาอยากป็นทโธพไปจตใจเราม่ด้เกถ้าทางนานไม่เท่าไรก็ไม่กด กยังไม่ถือว่าภนาเนการจิติญาณานีหลบตานั่งกัดจมกมีแรงคนแต่ใจมัหมือนนันไม่ได้เใจ่้คิกรทความคิด่เกอะเลเความคิดใดความคิดมดเท่จะพิจารณาการอาสงของร่าการ แต่ถ้าอยู่กับล mm. าแดดลมแรงมันจะมันจะนิ่งดีกว่าถ้าอยู่กับหลายๆอารมณ์นผมนได้หลายต้นมีการเปลี่ยนแต่ะตัวที่ตอนีมันจะัรวมรวมรวมถ้ายังทำได้หน้าก็ทองหาวิธ <bottle sunscreen> <eyeballs>. <market> ีต่างๆดูว่ากรามฐานแบบหนถูกใจหรือเลาทำได้ไ บาทีไม่ต้องคดอะไก็ได้ให้มีจิตอยู่การเคลื่อนไหวให้เราอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายนนะครัเราอด่าเราก็รู้ว่าเรากลเกลังก้าวท้าขัยกลังก้าวาว้าย้ายขาข้าขาวให้ได้ไันโดยหลักใมนในปัจุบันอย่ที่น่อยู่นี่อยู่นี ใจร่างกายมันอยู่แล้วแหะแต่ใจมันไม่ไต้อกรงกายใมันไปครอบชะความมันไปได้ถ้าไปงั้นปฏิบัตจุิจะไม่จะไม่ได้แตเราเี่มัต้องมันต้องีความคิดใจได้ถ้าต่อไปเราก็จะได้ควบคุมคัดคิด้ควบควบคุมคัดได้ก็ควบคุมอารมณ์ได้ ข้อมูลต่างๆมันเกิดจากกาคิดนันคิอะไรแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆคิดดีกะไรนดูคิไม่ดีก็ทำัวไม่ดีถ้าเราสังเกตดูว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดแล้วก็าหยุดคิดตรงนี้จะเราดีงั้ทเราดีแต่คิดเรื่องที่ทำให้อารมณ์ดีนี่ไม่เดมือนกับเรื่องที่เราชอบ เรื่องที่เราชอบเนี่ยเองแม่เนี่ยให้เรามีอารมณ์ดีแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราอารมณ์เี่ยได้เมื่อสิ่งที่เราชบมันเลีกยนไปเรื่องเราคิดถึงแตเราเนี่ยถ้าเราชอบแตงเราคิดถึงเขาเราต้อมีอารมณ์ดีแต่เราถ้าเกิดราทเลาะอบเขาแล้วเราไปคิดถึงายังก็อารมณ์ไม่ดีนะแต่สิ่งที่นั้นสิ่งที่เคิดดีหมายถึงให้คิดธรรมะที่ตามการความจริง การมหมาๆนี่มันจะไม่ดีเพราะที่เลนมันจะต่อบ้านเช่นรู้จาสารที่กิดจการแก่ทวางเจางตายเป็นธรรมดาพอที่ทั้นมีใจมันจะที่เลนนจะต่อต้านมันจะไม่ชอบคิดเพราะมอนเะว่ามันจะมันจะนเป็นิที่ี่เลนกลัวที่สุก็คการแก่กางเจบกางตายเพราะว่ามีการแก่การเจารตายตอนเวลาี่เลนมันทำงานนะฮะเวลาแก่าจะไปเที่ยวลำบา วเวาเจ็บปวแม่วออไไแ่วนยูรยบาลก็คิดเชื่อมันะเวลาตานทำอะไม่ได้ที่เหลมันก็ไม่ต้อแต่ถ้าเราคิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทำให้ใจเราสุบเนียทีนี้เราละอ่อนเนี่ยมันทาให้ความคิดนีทาให้มะงับจังความคิดได้ได้การดำงานต้องแก่ต้่งเหนื่ทั้งชา น, นี่นก็จะทาให้ความโลภความอยากานนายต่างๆมันหายไปเยอะ แล้วก็ทุกทีมัจับเป็นความคิดที่ดีนะเพราะคิดในลายมือนสงบพอสงบแล้วมันก็น ม, กคมีความสงบความเรียนความสุขมันต่างกับความคิดในการโลกที่ในทางโลกถ้าเราคิดในทางที่ดีนั่นกาเราจะได้เงินมาถูากต้อนแล้วก็มีเงินใจถ้าเราคิดในทางที่ไม่ดีทางโลกมันเกิดขึ้นว่าเราจะต้องเสียเงิน คืต้องจปใช้นี่ไม่ไปอะไรเนี่ยแล้ก็จะได้ไม่ดีใจสงบมันก็เ่อยจากความคิดขอรแต่คิดที่ให้ดีดีแล้วคิดก็ให้สงบอันนี่ดีจริงๆเกิด ค, คิดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาได้มันก็จะดีมันจะสงบมันจะระงับหยาดความเสร่งร้างได้มับถามรู้สึกไม่ดีได้ใช่ไงรู้สึกเจะต้องเสียึงินใจใจใจนี้ทางด้ า, า, า, ากเาปรับหรืออะไรก็ตา แต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายด้วยเง น, น, นี้อะเราก็ต้องนเงนไปอย่างนี้แล้วเราคิดอย่างนี้เราก็ดับในความไม่เสถียรที่เกิดจความคิดหน้าเราจะต้องเสียเนเยอางก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดทางธรรมะได้แล้วมันจะดีไปเรื่อยๆแต่ใหม่ๆมันจะไม่ดีมันจะมีมีการถัดขวางจากที่เดิมทํเ น, นื่องเสพติดที่จะนั่งกันเหมือนกันว่า มันหดผูบิดเปนความแก่ความเจ็บความตายแล้วมีแต่ถ้าเรามีความสงบอยู nee it, the Rings, the however, ่บ้านแล้วแล้วเวลาจิตนั้นเกิดความคลดกกระนองขึ้นมาประเภิดถึงความแก่ความเจียความตายมันจะดับความคลึกกนองได้ทำให้จิตดับไปสู่จุดของความสงได้แต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราไม่มีจุดดับไปเนรเทป็นความแก่ความเจ็บความตายเราต้องไปจุดที่ขดผูบั คนจะเพื่อ เ, เปลี่ยนจเองไก็เลยยากต่อการปฏิบัติยากต่อการคิดในทางธรรมะไม่มีใครชาติคิดไม่มจัเลยพระนักบุญระพุ่ธเจ้าอสอนให้คิดอยู่ทุกตอนทุกเวล า, <c oughs> าสาระอรูญสอนให้คิดอยู่ส่วนหายใจเข้าออกตนมาแล้วก็เาแบ่เป้นใจใจดีมันใจไม่ดีทาทกินแล้วมันก็จะไม่ กำลังจิตกำลังใจที่จะไปทำมากิงหาเงินหาทอง ม, มันยัไม่คิดมันถึงไม่เราคิดพอเราไม่คิดลาก็ยังมีกลังใจที่อยากจะล า, ากเงิเรวยอยจะปเที่ยวทนเที่ยวที่เพราะเราเดีมว่าเยอะๆัวั น, เ, นเราก็้แก่กต้อเสต้องตามถ้าเราไม่ลืมล้วก็ไปัไป้ปนเดียวก็ต้องมาเจอตัวนีู้ คิดทําให้ทําใทำสงบได้แลาใจสงบหายอยาไม่อยากกับการที่จะเที่ยวไม่อยากที่จะอะไรทีนี้ก็มีส่งหนึ่งที่พัฒนาเอ่จิตใจสะสมเรื่มีความสุขถ้ามาเห็นว่านี่หละเรื่องความสุขที่แท้จริงก็จะพาสมบัติขอจไม่ใช่จได้ได้ได้สุที่ยากไนที่ ส่งนั้นหนึ่งได้มันได้ความสุขเพื่อขณะที่ได้ไปสัมผัสเนันเองเราผ่านแล้วผลมันก็หมดไปให้เราในทางอ้างว้างปากเปี่ยวให้เราในทางอยียปากต้องการวันนี้ได้เงินมาล้างหนึ่งคดีใจเดียวเดียวดี๋ยวพอเข้าไปในธนาคารแล้วก็เล่นแล้วขอยากจะได้เงินต้นใหม่เงินว้านจเหัว ที ho, ma ari, ma ari. ่ไม่ดีไม่ได้ใช้เที่ยงไรได้อาจจะหาหม่มาหนึ่มันก็จะเป็นอย่างนี้เยได้ร้านหนึ่งนี้ก็เป็นเดมันจะไม่มีที่สิ้คาสแบบนั้นนิาสเตัอนเอะรงเี้ยแต่ควาสุขที่เกิดจความสของจิตีไม่ต้องเตมอะไรคอยรักษาให้มันสมบูรณ์บ มันจะคึกขันเราขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญหาการอยากเพ้อเอาเีื่อนเกิดแก่เจบตายเข้าไปเบกดมันได้ไหมเราจะเ้าไปทำไมเดี๋ยก็ตายแล้วเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ต้องเร้าลงในบาที่างนี้แล้วมันจะมที่ใดได้ขาดเมืบน่อ่เรามีความสุขกี่อย่าต้องไปด้ด้เงื่อนกิดาก ได้ใใมาไหร่ได้มาสิบเท่าร้อยเท่ามันก็เหมือนเดิมใจก็เหมือนเดิ <c oughs> มคือสมบัติเยอะขึ้นแต่ใจไม่ไม่ได้มีเยแต่ใ จ, จกับแย่ลงใจจะมีความผูกพันมากขึ้นมีความมิกมิกมากขึ้นมีความทุกมากขึ้นไม่ต้องจ่าไม่ต้องจ่ายนไป น, นี่คือเรื่องของการปฏิบัติเวลามาปฏิบัติแล้วก็ม่ใอย่างเด ให้คุยอะไร้ยแล้วให้ยายามปฏิบัเพาะขั้นตอนเนี language, ้ยปฏิบัติได้เป็นพยายามควบคุมใจแลพูเรื่องโกงไปกูดโกหกไีทำมานกนี้นะพยายามคนนัจิตหลัขดตัวเข้ามาขดตัวเข้ามามากขึ้นนิเล็กสมากขึ้นทการมันออกไปข้างนล็กมก็จะวาปวตงร่างี้ ที่เรื่องนั้นน่ะหรเรื่องนี้มาต่อต่อเรืองนั้นความเรื่องนั้นมาต่อต่อรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์กับการคือมีใจมากเลยเสียใจมากจะไม่เหมืกับการที่ไม่คิดอการที่ว่างสงบสง่าอันนี้ที่เราองการจะให้ไปไปถึงนี้ไม่ไปถึงนั้น ไม่ไปทะเลาะให้ชอบก่นมันก็หาทางปเมื่อการใช้ทุกโทรเป็นตัวเด่นเาัการรัก็เป็นแบบทียวกันนี่นา้ตมันไม่มีอะไรเด่นหรอก่ายมันก็รูเสียงกินแล้วเหมือนเช่นมีงานที่มามาหลอกมาล่จืจากเวลาที่เราอยู่ที่นเืองในบ้านรู้เสียงกินแล้วมันจะคอยหลอกลอใ้ใจหก จะเปนดตาทักดึงไปเปิดอะไรปังที่นี่ไม่มีอะไรดึงไม่มีอะไรปังหรือโน้ตเสียงกาพูดไม้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มาหลอกมันบ้างนะรอมีตัวเดียวคือตัวผีเงินคอยหลอกเอราไปขึ้นเงนเงินเราก็ต้องสติมงกระดูมาเนินใจที่อยู่เราเองนี่แหละขูดไกับตัวเองไ้กับหลงใจเท่าออกิ้งไ้กับอาตรการที่สองขนั่นัง นี่เราไม่ทาอ <apers along, S 1> e. ะไรนะาพราลักนี่มันจะรู้แล้ว่าอ๋อเนี่ยมีปุตชมบัตที่แท้จริงนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องรักษาไม่ใช่สมบัติใดโน้่รักษาความงออกจากสมาธิแล้วจิจะพึกนาต้องใช้ปัญญาข้ามสด้วยปัญญาด้วยใจละเมื่ออนิจจ์เมือาลณตเกิดแกเจ็ตานี่ก็อนิจจ เยอะสักการะทางทุกข์ก็แล้อะไรทั้งหลายมีแต่ความทุกข์ได้อะไรมามันก็ดีเดียเดียวถ้าเดี๋ยวว่าใจคือความทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการต้องดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยกังวทุกข์ที่เกิดจากการสูดหายใจน่า้งพากัจกาถ้าเห็นทุกข์อก่างกยังไม่กล้าใส่่งไห เราไม่เห็นเหมือนอย่างแรงมากมันไม่รู้ว่ากองไฟแสงสว่างมันเป็นทางร้อนอย่างเงี้ยเราเห็นแสงสว่างโต้หวยเียวมีใจแต่พอบินก็ไปใกล้ๆกองไฟแล้วมันก็ถูกความร้อนเท้าตายอเราก็เห็นเิ้วชินดินทั้งหมดต่าง่งนสิ่ต่างๆัองบุคคลต่างๆรถจักรยานสุดอยู่คนเดียวมันหนาวพอมีเพื่อนคุยมีเพื่อนที่ยวเพื่อนเดนการเ่งยเลยอ่ะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนเราเพื่อนต้องจากเราไปจริงเราก็เียใจหรือถ้าเกิดทะลากับเพื่อนก็ก็ทุกใจเหมือนันหมือนไม่ไ้เป็นอะที่มาทสมอไราไม่ได้สุเสมอไปมิารถ้าที่นี้นกต่อไปมันก็อยู่คเดียวแล้วไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้นอกจากสิ่งที่จาเป็นเวาที่ต้องใช้ในการประิงชีวิหรือในการทำหน้าที่ของเรา แต่ถ้าไม่ตั้งจะได้ย่งเยอะเลยเวลาทิ้งไเพราะของที่อย่างในรื่างนี้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของฝนตกหยาดอกนี้ถ้าเราไม่เปยุ่กเขาเราก็ไม่ทุกแต่้เราไปยุ่งกัเขาเราจะไปจัดการของเรื่องนเราไม่อยากให้ผลตกเพรานตกที่เราเรา้องร นี่คือปัญญาหลังจะออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยตั่เฉลี่ยที่จะไปถอยไปขบไปยุ่งคาเรื่องนั้นเร่อน้จะไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาคนนั้นก็นี้ตัดตัดตัดตัดตัดไคนเดียวอยู่กลางสมบนี้แบบสมบัติอันนี้เสร็จมันไม่มีที่ไหนได้ล้วนี่แล้วมันปล่อยทุกอย่างได้ถ้ายังไม่ได้กลางสงบนั้มันก็ยัง มันก็ยังยังติดอยู่ตัเสินงตัตางๆภายนอกยังหมุนได้แต่ถ้าใจสงบเพียงครั้งเดวตัดได้ได้หยุได้ถ้ายังไม่เห็นคว า, ามสงในใจ้วมันก็ยยังนแต่ว่ารักพี่สีได้น้อนาจ ก, ก็จะได้แต่ยังไม่เห็นเทราะอะไไม่รู้ว่ามันมันดีขนาไห น, น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 การทำลงมืองานทั้ทงตอนแต่นรต้องมีความสงบ ม, มาทดแทนถ้าเรามีการสงแล้วในเดือนเราตัดได้ทังโลกเราตัได้แต่ถ้ายังไม่ได้ความสงบนี่มันตัดล้ไม่รู้จะ <c oughs> เอาอะไรยึดเกาะติดกับอะไร ม, ม, มันมีที่เกมาภาวนาด้วันส ว, วันเดียมันก็เบื่อแลเนี่ยมันก็ทนไม่ได้ทุร้าง บ, บ้านนี้ไป เพราะง่งหนแจกสงต่างๆถ้งๆมันอะไรมันดีๆไปหมดเวลามันก่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยว่าราญหดือแต่พอมันอยู่ว่าทั้งๆมันมองกลับไปสิ่งต่างๆที่บ้านมัอยู่ที่บ้านนี่ยว่ามันดีไปหมลักลับถ้าไม่ได้ความสงบนะแต่ถ้าได้ความสงบแล้วไม่กลับาถ้าจากก็เพลงกับไปธัหลทำธุระอะไรนันที่ส เวลาก็รีดกลับมาปฏิบัติเส็จสิ่งอาจจะต้องทุรนทุรายทุกอย่างให้หมดไปได้แล้วจะไม่กับไปเลย<ม>อยู่ที่ผวพากย์เสมที่เนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวที่จะเหมอนตัวชี้ขัดในวิถีชีวิตของเราถ้ามาเจอทางเสมอเมื่อไหร่เราก็จะไปทางนั้ได้ตลอดไปทางพางนได้ต ก็ยังไม่เจอนี่มันก็ยังรักพี่พีนายน้อยู่นวัดก็อยากไปได้ก็มาวัดบ้างแต่ถ้ามันกลับไปหาเงอเหนหาทองก็จะไซื้อความสุดนงนซื้อความสุดกับสิ่งต่างๆมก็จะแบบเยอะแยอสัมแทสถ้าเกิดเงือมันต้องยากทางเมื่อไร่มันต้องลำบากตอนนั้นจะทรามาน ถ้าจรายัเดินทางซ้ายยังเดินทางขวาก็ต้องเขารังเลทางนี้ก็ต้องปฏิบัติตให้ได้ให้ได้ผลให้ได้ผลทังหมดก็ไม่ยากแต่มันาม า, นวามนพวกคุณบังคับใจให้ทำได้หรือไม่ทำจริงวันเดียวก็ได้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรเลย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 เขา้าใจในธรรมชาติของันน้คือเรวกเราพอรู้สึกน่ารักอบอุ่นพยายถ้าเกิดมันมันหนึ่งก็ต้องจากกันจะจกายอในรปงไปมันต้องจุดทุกไม่ามาราบมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ดีมันเกิดจากความปรุงแต่งอะเร รหลงยึกถึงเกิดกิเลสที่พูดให้า<ช>ังเพราเทกอย่างแล่วแจกเสียายแล้วมันจะทำให้การฟองคุยจาบพอเราไม่รู้ว่าจะจะไปอยู่นตรงจุดไหนแต่ถ้าเรามีความสนบแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนั่นคือจุดที่เราจะอยู่ในเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างจากอกใจแ ล, แล้วก็สงบไม่ใช่ธรรมดา เพราเราทำอะไรไม่ได้เหมือนฝนตกเนี่ยเราพยายามทำให้มันดีได้แต่เราสิ่งที่เราทำได้คือนั่งเฉยๆเนี่ยนะนั่งเฉยๆเนี่ยไม่ให้ฝนตกไปเรามเมงวดกับตัวเราแต้วเราต้องหาจุดนี้ให้เจอจุดที่เราจะอยู่เฉยๆได้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อจะมีเบิกขามันต้องเป็นเอกาพลม ต้องมวัมยังเป็นสมาธิติดเป็นอย่างีก่อนแล้วมันเป็นอย่างนี้มันสัมผัสในาตาาแล้วมันดูแลออกเป็นบาจริงๆเป็นอย่างนี้เมื่อถึงเวลาเราก็กลับไปตรงสนั้นได้แต่ถ้ า, าไม่เจอจุดนี้พอถึงเวลามันก็แหวงปแหวงมาระหวามีใจไม่เสียใจจะมีใจตอนที่คนตายเป็นเหมือนกันก็หาว่าบ้า ลูกเมตตาเดินกั บ, บวโอเลาะไม่กระทำตำหร่าที่มีปฏิปทากับการสูญเสียเือไม่ยอมร้องไห้ก็่เอาความโพเลาะมาแทนแต่เป็นโพเลาะแบบนี้เนแนงเพราะฉนั้นก็ต้องพิจาณแล้วกยายามอมรับความจริงให้ได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไป และวิธีดีที่สุดก็คือยอมรับควารเมื่อถึเวลาะมักแล้วก็ให้มันเป็นประการเรื่องขอมันเราก็ไม่ต้องไปตีโคลที่าไม่ต้องเสียวโศกัจเพราะมันก็ไม่ไเปลี่ยนแปลงอะเราไม่มีหน้าที่จะไปยับยังเราจะยับยังกดแขนนีิจกรรมทุกครั้งการเมืองิกรรจะขึ้นตั้งอยู่แล้วไป ถึงจะว่าเราไม่มีที่เย็นแล้วถึงทำใจไม่ได้ถ้าเรามีความสนบใจเราสงบแล้เราจะมีที่เยมีจุดยึดมีจิดยึดต้นที่พึ่งเมืเวลาเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ไม่เสียดเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปหมดนะแมาร่างการนําก็ต้องต่อแต่มีสเซนตอที่ไม่ไปก็คือใจของเร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 อลมหายใจเป็นไรซึ่งมันไมบอกไม่ถูกอะไรแบบนี้สภาวะแบบนั้นมันเกิดจากเกิดจากความจุงแต่งที่เกิดจากที่หรื่องที่จะโม่ะคือมันมืนเราบางทีฟังอย่างเงีมีข้างในฟังหูตาแต่เท็ถึงเรื่องกีเลเราคะตอนนี้ท่านบอกว่าคิดถึงว่าราคาเอาแล้วท่านเลยว่าตอท่านท่านบอกพิจารณาดูแล้วบอกอ๋อราคาดูนี้หะ ซึ่งมันเป็นตัวที่ทําให้สัมุลขนาติดอยู่กับกองทุกติดอยู่กับการเมื่อใดก็ตาน้าขณะที่ฟังเนี่ยติดมันเหมือนกับมันเหมือนกับตามทันไปแล้วก็เหมือนกับ่โอ้มันเหมือนกับว่าเราเราจะรู้แต่จริงมันก็ถึงไม่รู้นะผ่านช่วงขนาดนั้นไปกบแล้วกลับมาเหมือนเดิมอย่างนั้นเหมือนเป็นเมื่อมันได้สองที่จากการฟทบที่เราทําให้จิดสมบทที่ต้อครับแต่ตั้งต่ว่ามันในเท้าวอน ล้ก็ความเป็นหมันก็เป็นหนังตัวเนรับแต่นี่ไม่ใช่หนังจริงเพราะเราจะจะทำให้เป็นหนังตันแต่ก็ต้องน้อมเอาสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อย่องคำสอนท่านเข้ามาอยู่ในใจเร่ย่มันก็จ ะ, จะแต่เราไม่มีกำลังที่จะย้อนอะไรถึงสิ่งที่ท่านสอนได้แต่ถ้าเราจับประเด็นได้เรามันก็จะมีป่กับใจเราได้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 ต้องใจจับประเด็นได้ใช่ไหมลยเราก็จะจับประเด็นนั้นขึ้นมาคิดเองเนี่กปัญหาเราอยู่ที่ราชาปัญานี้เองถ้าเราจัดมันได้เราก็จะสบาเราก็พยายามจับใจเวลาทุกอย่างอะไรอยากอะไรในทางราชาเรากต็ตัดมันตัดมันขึ้นกึนมันกั่นก็สง่มันได้คือตามรู้สึกของผมตอนนั้นเหมนเ่มนเหมือนเราบิงทีมั น, นไม่มีใารไม่มีขั้นตอนหนึงนน่งสองสามสี่อะไรอย่าง้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 พระอัญญาณโก ญ, ญิยะเวลาทําที่พระเจ้าทรงแสดงครั้งแรกแล้วก็เกิดบรรลุขึ้นมาอ้มีการเกิดขึ้ตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาแลา้วจิตของท่านก็ปล่อยปล่อยสิ่งต่งางที่เราต้องดับไปไม่ยึดไม่ติทดท่านจับทะเดบีานได้จิตท่างก็โลดอยู่ในตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องทางการงๆโดยที่เมื่อก่อนที่การหนักอกหักใจด่วย แตท่ที่เม่ได้พูดจิงเนี่ยคนที่เรารักที่เราจ<น>ะต้องจาบไปแต่พอเราฟังคำแล้วเราเปิดความเข้าใจว่าอ๋อเร า, เรายุดติดไม่ไดนะ้เราต้องปล่อยใหยเป็นไปตางความจริจงเราก็จะโล่เราก็จะไม่รู้สแบบึกเสียออกเียใจไม่รู้สึกทุกขเพราะมันเป็นธรรมดาทำอะไรในาการจัดขึ้นย่อมในการกดับไปเป็นธรรมดาครับนะนะ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 มันก็ปล่อยมาฉะนั้นการลงเพ็ญนี้ความสงบเป็นความสำคัญมากท่านได้แสดงไว้แล้วว่าสุณาคุณเป็นเครื่องสงบสุนทรปัญญาปัญญาทาจิตให้คนทรจิตให้ต่อหลังนะ้ือท่านที่มีบางครั้งไปภาวนากับเพื่อน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 มันอาจจะเริ่มได้สิบี่สิบสามสิบเปอร็นต์เยอะแต่ยังต้องรักษายังเท่ายังไม่ได้ใังไม่ต่อเนี้อถ้ามันเป็นน้อยเราต่อนื่องออกจากสมาธิออกจากท่าหน้าล้วมาเยังสงบอยู่ดิตางขึ้นมาฟังเสียงเหมือนรดิมได้ยินอะไรมันก็ยังสมบอยู่เวลาคิดมันก็ยังสมบอยู่ขอาดนั้นยังไม่ถึเป็นความสมบอีกนะจ๊ มันจะมีอารมณ์ที่เกิดเป็นแบบชั่ววูบชั่ววูบขึ้นมาในขณะที่ไปคุยเงี้ยหน่อยที่ไปทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาแต่มันจะเห็นชัดเหมือนกับเหมือนกับน้ำนิ่งแล้วเวลาเราวโยนก้อนหินวนไปเรื่อยมันก็จะก็เพื่อมขึ้นมานที <S <S 1> <S 1> นั่นะคือความสงบที่มันต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม่เสียอมไ ม, ไม่หายกัน อย่างที่มันไม่สนบ ก, ก็เพราะว่าในเวลาขณะที่กิเลสมันกระเพื่อจมจุงนามันโกรขึ้นมามันก็ทำให้จิตกระเพื่อมตางไปนั่นแหละสมาธิทำงานเวลาตรงนี้ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเป็นตัวต้องพิจารณาไปว่าโมหิสิงที่กิเลสอยากจะปเป็นเกี่ยวข้องด้วย การคิดถึงเรือราวปั๊บจิตใจะเครื่องขึ้นะาก็ต้องพินาาว่าตอนแก่ถึงตายเราต้อนดินน้ำลมไฟไม่ไดยืนตัวมีตัวเราเราทุกคนนี้ตอนนี้มาแต่ดินน้ำไฟแต่เไม่เห็นินน้ำลมไเรเห็นตันน้ำต้นี้ำเป็นอะไรัมดเป็นคนตีนเป็นช้าง แต่เมื่อเราวิเคราะห์ดินเข้าไปมันก็มาจากดินน้ำมันไปมาจากอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำมัมาานไปเราทำงานนี้เราจะเห็นว่าต้ น, นตนน้นน้ำ เ, าา เ, เนคย ด, ด, ดินน้ำมันไปนมงงันก็มาเป็อาหารมันก็มาเป็นผลต่างๆในี้เองแล้วก่ากลับไปเป็นดินดินน้ำมันไปเวลาคนตายไปถึงสมวันเดียวมันก็อยกกันไป น, น้ำกไปลตก็ไปไฟก็ไปไปม่ได้แต่เินก็จะทนี้ถ้ตอบไปไส่ใจฟังใจเราเรามันจะเป็นลูเราเราปนุเราไปอยไรอะไรอย่างนี้เราเราเหลือนสนุกเพราะเห็นว่าการนดินน้ำลมไฟก้อนนี้เป็นลูกเราดินแดงเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อเราเป็นแน่เราเป็นตัวเรา บางทีมันก็เป็นเพ็นก้อนดินหน้าเมืองมันเหมือนจะมันเล่นกลนะเราดูแต่เราไม่ฉลาดไปดูคนที่เขาเล่นกลเลยทำไมก็ผ่าคนออกเป็นขึ้นร่างจากการเล่นกลของธรรมชาติเอาดินหน้าเมืองไฟมาใส่ผสมให้เป็นลูกกล้าต่างๆมันจะ มีความต่อเรื่องกันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นของเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่เราเพราะมันการต่อเนื่องกันเรออกจากท่อของท่อแม่แต่พระจีนก็เป็นท่อมือก็เ ป, ปออดูดน้ำลงไปบอกมาดน้ำลงไปทันจริงดน้ำลงไปบอกให้เห็นท่าแล้วมันก็จเข้าใจ เหมือกับหนังสือที่ทป็นินเนี่มันเป็นก่อนจะมาเป็นย่นี้ได้มนต้องมอะไรต้องมีอะไรบ้างต้องมีกระดาษต้องมีอมีเครื่องพินมีอะารหลายอย่างต่อเดี่ยมันจะเป็นอะไรนยังไั่นปีกยังแล้วกลปเป็นดินมันเลนคนท่านดูมันเลาอะไรใชดินน้ำเนไฟคที่ไม่มีปัญญาก็หลงติดอยู่กับ สมมตเราถว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่แ <generally> ต่บาทีมี้ก็เป็นทิ้งดินหน้าหนึいい่งคนยูคนจริงเขาเกิดมาแก่เจ็บกายแต่หต้งมากมาจากการหายไปในเวลาคนเลี้สมัย้เลี้ยงปีาจเลี้ยุโคไทยเลี้ยงมรณะโปรินก่อนที่เราจะมาเจอเนี่ย คนที่ตายหมดแล้วก็หายไปไหนก็หายไปไหนเลยต้กลับไปสืยืนหน้าเงินตานไป <c oughs> นี่็นส่วน <c oughs> ของร่างกายส่วนใจมันก็กลับมาพอร่างกายนี้มันตายไปนองก็ไปห า, าหน้าหัวแต่จะได้จะ น, นั่งคิดอยู่สักพักนี้ไปเป็นเทศเป็นคมหรือไ ป, ปตกนรก เราเป็นตัวเแล้วก็ได้กำเนิดได้ร่างนมนุษย์บ้างได้ร่างดึดยสายบ้างแล้วกำเนิดหลงหไปก็วนไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้เจอพระพท้าได้เจอทางสอนนักเข้าใจทุกยาแน้กก็ไม่หลงกลับท้าดก็ต่อไปก็ไม่ต้องตัดสินก็มีกัาน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 มีศีลมักแปลนี่นะเรื่องศรัทธาเริ่มต้กนก็มีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มันมีศรัทธาแล้วก็ก็จะทด้ปฏิบัติาตามฝงสองนก็ต้องบำเพ็มไหว้เนี่นทำสิปบปารดาทานบารมีบุญบารมีใหกรรมาบ า, ามีขันติบารมีเงียบบารมี ถ้าเป็นเตุที่เขาทำงานปฏิบัติที่ครูบาอจรย์สอนเป็นนามธรรบุญนี้ก็ทานต่อไาก็ต้องมีวิริยะเราเราเองถ้าคิดเ็บจำไม่ได้แต่วันนี้อยากจะนอนก็ํานับนางไม่ไหวจำไม่ได้ก็ต้องมีทันติบาลเลยก็ทำบุญหนึ่งก็ต้องอะไบ้างแต่นอนอยู่กับ้างมันก็ไม่ได้ขมันก็จะไม่ได้ ในเวลามานี่นอกจากได้ทานบางเย่างไ้เงินได้ที่ดินบางอ่งได้ทั้งศิลบางอยได้อาจุจาริบางยอษษษษษษางย่าคือบางตั้งใจตั้งใจมันจะมาทำบุญแล้วก็มีสัจจะมางนย่งคืมีความจริงใจมีตั้งใจแล้วก็ทําตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ เ, เดี๋ยวมันต้องขยับขึ้นไปชันแล้วต้องจงไปสู่การรักษาตัวการปฏิบัตินนธรรมะการออกบวนการออกจากกามาสุดในธรรมะแต่ว่าการออกจากกามมาสุดเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้เจอการอุเดกขาก็าาะทั่ก็จะได้มัมไป็นอเดกขาเราเองวัชิตเป็นาากก็จะเป็นอิเดกขา เ้วก็จะมีเมตต า, าบางนินแต่าจิมีการสงบก็จะนนเห็นความสุขที่ในตัวเราไม่มีการจะเดินไปนั่นงไปไปเกลียดไปชงังไปมีอะไรกับใครก็จะมีเป็นความเมตตาเพราะเราไม่ต้องไปแก่แย่งสิ่งดีสิ่งที่ดีที่สุดมันอยู่ใน ใ, นใจเราอในตัวเราอยู่แล้<ม>ถจะทาให้เราเป็นคนมีความเมตตา มีปัญญาเพราะเนี่ยเห็นเห็นความจริงที่เป็นป ร, าารมราจารย์ว่านวงนี้เล่นไม่อยู่ตัวเล่นตอนไม่มีอะไรเลยมัเป็นเช่หน้ำลมฝนนะดควอการบาเพ็ญทานฝึนาบาลานีนี่ก็คือทานที่จะทำพัฒนาจิตใจเราให้ไปเดินถึงวันนี้ไ ถ้าทาให้เสร็จชา้ินี้เราไปทาต่อชาตนานาไม่ชิอเสียเลยไม่เมียนอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วต้องย้ายต้องย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นเรก็ไปเรียนต่อที่ที่นั่นก็ได้แต่เราเรียนม .5 ยังไม่จบม .6 อเราย้ายไปอยีกเมืองหนึ่งเรก็ไปเรียนต่อม .6 ที่ที่เมืองนั้นเลยไม่ต้องไปเรื่องม .1 ไม่ต้องไปเรื่องตอนหนึ่งมีแตัเหมือนใจเราทเราเราทา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 ก, กุทธยมเดี๋ยวมันก็ขึ้นสปปัญญาแล้วเขายักขึ้นไปเลยตามได้ถ้าเราปฏิบัติทางทานศีลธรรมอะไรนี้ได้ศรัทธาได้เป็นน้ได้เั็นตอนนี้ก็จะไปเี่อยๆพอ น, นี่สุดจบมันก็จบเมื่อจบวิชาพ็จะศาสนาได้ได้อะไรอ่ะสิขัาจกนร์จังเลย โดาสิกามกาเนุาคุณปัจจกากข้าวถิ่นตะวันออกการการปฏิฐานนี่นี่ถ้ามันมีผลบ้างนอแค่ไหครับปฏิฐานนี่มันแปาว่าการตั้งใจมันไม่ได้เั็นการของครก็มันมีผลอยู่เพราะถ้าเราไม่เราไม่ตั้งใจเราจะไปทำได้จริงต่างได้อย่างไรในวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาที่จะมาได้ การตั้งใจก็คือการตั้งเป้ามีอย่างคาท ำ, ำงานจะจก้องดวถึง่าต้งตัเป้าเป็นนี้ต้องให้ได้กำไนเพิ่มขึ้นอีก 10% ก็ต้องมืก็ต้องสวนขวายหาวิธีทำขึ้นหนึ่งจัจริงให้ได้แล้วคุณต้องติดตามผนทุกเดือนเี่รู้ว่าไปตางเป้าหรือเปล่าเกินเดือนปีแล้วเดือนนี้ได้แคนี้เดือนนี้ได้เริ่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 พอกินได้สองคำในคนมาติดอัตละก็ไปท er <Yeah. S 1> well. we ําช <Okay. S 2> ิ so ้วานนั่นก็ไม่อิ่มแต่ถ้าเราตั้งใจว่าก็กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปทำหลังต่อใครยังมาติดต่อเท่าไรก็ต้องรอให้ต้องรอให้เขารอให้ก่อนากินข้าวอยู่เนี่ยคือความตั้งใจนี่เนี่คือสาระอธิษานในทางทางคำละอะไรอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจจะเป็นนิสานเราก็จะไม่ทำอะไรอห่นทําให้พลาดไปเนิทานก่อนก็้วไปทาอื่น เป็นทัณฐ์นี่ไม่ทำอะไรเลยนันแต่ออกบทนะุ่งไปที่ระ น, น, นิพานงเดียวพอันรู้ถึงพระิพานแล้วถึงค่อยมาสั่งสอนยื่นสอแต่จะไม่มาให้การสั่สอนมาเป็นตัวขขวางการเดินทางไปถึงระิพานถ้านบอไม่เราเร้เนี่ไม่สอนยังไม่ถึงพระิพานมนยัได้ตั้งจับพระปาริยานเราจะไปถึงพัะนิานก่อน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 ก า, การมันพูดข้าันก็พูดรู้าอธิบายไหว่ามันมีคุายหล า, หลาตามปรเด็นกันเป็นคุณหมายถึงการถอยทานใช่มรัครับการถายทานนี่มันก็มีอันนี้สองของมันอีกแล้วครับจว่าคุณจะอธิษฐานหรือไม่ข้าตาเป็ น, น, น, น, น, น, นการการถ่ายทานนี้เป็นการชำระวยการกำจัด ความตณีสั้นะความเห็นกัดตัวสั้นะความโลกนี่คือผลที่จะได้รับไม่ว่าคุณจะขอหรือไม่ขอก็ตามทำไปแล้วมันก็จะได้เมือนกับคุณรับประทานอาหารเนียสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความอป่นแต่มันไม่ได้ทำให้คุณหล่อขึ้นหรือหล่มขึ้นใช่ไหมแต่บางคนที่ว่ากินอาหารแล้วจะทำให้ตัวเองหล่อเล้าขึ้น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 แต่ถ i, o, ้าเขาเป็นคนทำบุญทำทานอยู่ด้วยเขาก็อยากจะได้ภรรยาของเขาหนึ่งก้อนที่จให้เพือน่สร้างความเดือดร้อนให้คนอเขาก็ตัดได้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ทำเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นือนซึ่งเขาไม่มีความอยากที่จะทำอย่างนี้เขาก็จะไม่ถึงขึ้นมาถ้านักถามว่าทําบุญทำทานเพื่อจะได้อะไรก็ไม่ได้ให้ได้สิ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 อย่างนี้ก็เขาก็คือทุกอย่างที่ทําอันนี้ส่ของของบุญของสานที่เราทํามันก็จะเต็มไปเลยอนนาจจะไม่ว่าระเบด้ น, นอกจากว่าเราถุกอาํานาจของสิเลมัน ม, มันครอบงำคือเราทําบุญไม่ได้อยากจะไปนิพพานก็มี อ, อยากจะกลับมาเกิดแล้วรวยอยากจะรวยขึ้นเว่าเดิมนี่คือชาตหน้านี่เกิดมากี่ชาตก็ขอให้นั่งรวยก็จะทําอย่างนี้ไปมันก็จะวนอยู่ในแค่แค่ระดับทานกับ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 ถึงจําทำทานอยูเ่เรื่อยๆยังทำทานต่อศีลไม่สนใจไม่แคร์ขอให้หาเงินได้มากๆนีถถ้ถ้าถ้าถือว่าไอ้ส่วนของการอธิฐานอะไรมากเลยนำพาให้เราได้ไปรักษาศีลเป็นท่านเป็นตองไปเพื่อจะนำทางไปถ้าอยากจะไปพุทธนิทานมันก็ต้องอธิษฐานอย่างนี้ไปแล้วก็อออขอให้ทําทานเยอะๆ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 ใช่เช่นหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านเดินขย่างตะวันในหลวงปู่ปนน่าหลู่มันนะหลปู่ชอบท่านชอบเดินทุยงตอนกลางคืนท่า mm. นจะเสือครมก่อแล้วก็เดินไปในป่า mm. แล้วคืนนึ่งท่านบอกท่านเดินไปแล้วไปจับเอะกับเสือโครงพ mm. อเห็นเสือโครก็จิตที่กาลังภาวนานอยู่กำลังเดินเสือโครเดินเดินทุย ง, ย, ทนนทยงไปพอเห็นเสือโคก็จิตมันก็รวมลงเลย รวมเป็นหนึ่งตอนนั้นร่างกายหายไปหมดเลยจะหลบเสือโครงก็หายไฟร่างก็หายไปเนืเ้อแต่ศักดิ์แต่ก็รู้อยู่อย่นันนะรวมแบบนั้นนะั<ม>่นมันรวมได้ทั้งยืนทั้งนั่งมันไม่ได้อยู่ที่ปีญามันไม่ได้อยู่ที่ท่าเพราะไนงะอยู่ที่ว่ามีสติรู้ปะล้วอยู่มีอยู่ที่ว่าตัวที่จะทําให้จิตมันรวมมันมักกนมีรูปะในตอนนี้ทางหลวงปู่เนท่าถ้คือะเสือขอให้เสือปัดปิดมันตกใจ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 แต่ไม่ตัดสินเพราะไม่รู้จักวิธีจเจริญปัญญาว่าจเจริญอย่างไรตรงไหนจนตอนตหลังท่านจะท่านถึงมาวิเคราะห์ดูและพิจารณาว่าต้นเจริญไปแร้วท่านถึงจะท่านถึงจะเกิดเป็นอย่างนมาแล้วต้องพิจารณาความไม่เที่ยงของสภาวะทรรมต่างๆต้องพิจารณาความทุกข์ของสภ า, ะาวะธรรมต่างๆต้ อ, ตอพิจารณาอนัตตาข้าไม่มี็นตัวของมันซ้อน การพิจารณาในทั้งสามส่วนเวลาเนี่ยเป็ น, นอันนี้เป็นปันญานอันนี้ความฉลาดคือที่จะตัดจิตเลยที่ทาให้จิดผิดพลังอย่านงะถ้าไม่มีสมาธิก็ทำไม่ได้เพราะมันจะคิดไม่ได้คิดได้ครับเดียวมันไปแล้วอย่างที่ที่มั่อี้ตอนตืนถามว่าวันๆมันคิดถึงความตายแล้วคิดถึงเก่าคิดไม่ได้หรอที่เลยมันเด็นไปหมด แต่ถ้ามีสมาธิอี่านี้อยู่ค น, นเดียวในที่ดได้ทั้งวันเลยถ้าที่แรกทั้งวันปั๊บมันก็จะตัดกิเลสได้พราะกิเลสมันมีช่องที่จะเข้ามามาหลอกให้เราเป็นหลงกับอะไรได้เลยเรารู้ว่าไม่ว่าเราหลงกับอะไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องจัดสันอยู่ดีไม่เมสียเพราะยังเข้าใจนะได้สมาธิแล้วไม่ได้จัดสัญญาอะไทํางนั้น ยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่เราเคยพิจารณาเมา่ก่อนนี่นะมันฝังอยนะู่ในจิตนะพอจิตสงบแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาอันนี้อีกหนึ่งทำให้รเราเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้แปะปัดพัดได้ก่อนได้ในระดับที่เราเคยพิจารณาเมา่อก่แต่ในส่วนที่เรายังไม่เคยพิจารณามา่ก่อนนี้มันจะยังมองไม่เห็่ถ้าเรายังไม่เคยพิจารณาอสุภะเมื่อก่อนนียเราก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเราไปพิจารณาเมื่อก่อนย่าง พอจิสงบั๊บัญญามัก็จะส่งขึ้นมาให้เราเห็นได้นะครับอนบางบทีผลนี้เรียนอยู่การปฏิบัติแล้วมันมีความเห็นต่างในบ้านเหมือนว่ามัานทีไปไฟแ้วมันเหมือกับคุณทางเหมืนกับบาง ก, บบากลุ่มบางโต๊ะที่ปฏิบัติทางนี้อีกกลุ่มอย่างนี้แล้วมันมัน <c oughs> เห็นท า, าเทคนิคนี่อาจจะต่างกันได้แต่แต่วิชาการ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 ก็รู้แลเป็นอสุรตรไม่เชื่อไม่งานึ่ทงที่เป็นทางทางวิปสัสสนาทางปัญญาแต่จะนั่งพิจารณาก็าได้จะนั่พิจารณาก็าได้จะนอนพิจารณาก็าได้ไม่สงสัยมีสี่ใจที่เป็นตัวทำงานอิเลียบทของร่างกายนั่นเป็นเป็นเรื่องของร่างกายเนืคนที่นอนสองคนนี้อาจจะนอนไม่เหมือนกันคนหนึงนอนแล้วคิดเลยเกืดอชุ้งซ่า น, นอนไม่แบบอีกคนหนึ่ง ที่แต่ดทรทุที่โทเดียวนอนหลับสบายไม่คิดตามเกิดแก่เดียตายที่จะนั่งยรื่อบรรลเุเป็นเป็นท่าอาหาเป็นท่าอะไอย่งในขณะที่นอนกณะเาไม่ได้อยู่ที่ท่ามไม่ไ้อยู่ที่ร่างกายอย่ที่ใจทเท่านั้นร่างกาากเรื ยางก็มีที่หลบเมื่อที่ไม่ต้องต้งจัดพูดถึงองการเข้าเราต้เข้าไข้ามว่าเรา้องตกใจแต่ต้องมีสติคืออย่างสมัยเวลาเรานั่งเครื่องเหนื่อยเรามีสติอยู่การนั่งด้วยนหรือว่ามันหลงสติขาดไปแล้วมันเคยนี่ยมันแสดงว่มันหลงมั้งม่นหลกันแ้มันมันมันต้องอยู่กับอย่างได้อย่างอย่างต่อเนี่ยงเราอยู่กับอะไรหรือเปล่าน จะอยู่กับพุทโธไปต่อเรอกแอยู่กับอยู่กับมาณาลุสติไปอย่างต่อเนื่องพวกแบบได่อยู่กับผมผมผมผมผมผมนคนคบเล็บบปันปันไปอ่าต่อเรือบอยู่แบบไม่รู้อยู่กับอะไรอยู่แบบมอยไปอย่งนันมันองไม่มีสติถ้าเป็นเรือมันต้องมีสมองมีข้อสมอ มันมีธาตุสมองแล้วนะ้ำมันจะไหลมาอย่างไรมันก็ไม่ไหลไปตามนะ้ำแต่ถ้าใจไม่มีสมองไม่มีสติมันก็จะลอยไปเรื่อยๆบางทีวันหนึ่ง <c oughs> แล้วเราอาจจะแบบใส่กระปุกน้ำคือบางทีได้อยู่กับลมหายใจบางทีก็ไม่ทุกโทรทอย่างนี้มันจะแบบเล่นเรื่องเวลา <c oughs> เดี๋ยวเมาคิดเรื่องความตายเดี๋ยวมาคิดอย่างเะี้ค่ะทุก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 ระสมผสมถ้า ะ, ะสมะกสม็จ ะ, ะ, ะ, ะแปลว่ามันเลนเะมันไม่ได้พอนานัางทีเวลาผมว่านั่งพอนานทีมันจะความคิดมันจะแวบบเป็นช่วงๆเหมัอนสงบระยะหนึง่งแวบบอีกแล้วกลับมาใหม่เจตมันยังไม่ไม่ไมันยังไม่หนีนานพอจิต ย, ยังไม่มีกาลังมากพอที่จะเดินไป ถ้าเป็นเชื่อกก็ขาดอยู่เรื่อยๆเชื่อกที่เราผูกสุญหายไว้เนี่ยพอมันกระตุกปั๊บก็ขาดแล้วก็หาเชือกซื้นใหม่มาจับมันมาผูกอีกจะจับไว้สักระยะอนเดียบมันก็มันก็ขาดแต่ถ้าเราได้เชือกเส้นใหญ่ๆเนี่ยออกไปมันกระตุกยังไ ง, ง, งก็ไม่ขาดถ้ติดแล้วก็เป็นเหมือนเชือกนักตอนจะเราแล้วพัฒนาไปเชือกเส้นเล็กๆเหมือนเส้นด้ายเนี่ยมันก็ขาดงา่าย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 จะมีอะไรท่มาเอาอกไปถ้าจำคำพูดบรรยากาศตูฐานอย่าคว่าก่อนทุ่งก่อนจะนอนนะ่ือการั้งตั้งตั้งถนงแบบประจําแล้วเวลาหลับเวลานอนมันจเนั่งแบบประจําอาจจทุกโตหรือแบบเป็นคํามประจําเองซึ่งแบบผูู้บาอาจารย์ท่านแนะนำให้ให้ให้ให้ส่วนอะค่ะแล้วก็คือพระประจําในเวลากคือเวลานอนก็จะประจําไปเมื่อเราคิดถึงก็จะหลับไปเลยแต่แต่พอเรารู้สึกตัวตื่อ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 ตอนที่ตอนที่เราจะหลับไปก็เท่านั้นเอง <C> e <an> เห็นแต่ว่าถ้าเราสามารถทำํำลงต่อไปได้เรืร่ <C> e <an> อยๆเถ้าว่าเราลุกขึ้นมาเพื่อไปทำงานกับการระลังหน้ า, นาล้างตาเราก็ยังบริกรรมต่อไปไเรื่อยๆมันก็จะดีมันก็จะเป็นการภาวนาไปเรืร่อยๆโดยการภาวนานี่ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าจะ ต, ต้องอยู่ในห้องพระนั่ง น, นั่งขับสมาธิหลับตาอย่า ง, างเดียว การพัฒน า, าก็คือการบริกรรมให้ดีขึ้นการที่จะปล่อยให้ไปชิดเพื่อนแล้วก็บริกรรมต่อไปเรืยถ้ามันเป็นไปได้แล้วแล้วเราก็จะมีหนา้าที่ในระดับหนึ่งโดิดมไม่ไม่ไม่ไปพุ้นช้ากับเรื่องนั้นเลยเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเรามีความทคกียดกับเรื่องอะไรแล้วก็หนึก่กลับมาที่ํารบยิกรรมนะมันก็จะดับความเครียดขึ้นมงค่ะ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 ก้ามีปัชนาเข้าสียงสั้นภาวนาที่แท้จริงกําลังภาวนาอยู่แต่ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอของที่แท้จริการเลยมันง่ายนะสำหรับบางคนนั่งพอมันเจ็บมันปวดเขทรทุกโทรทุกโทรไปเท่าไรมันมันมุกลงไปเลยเจ็บปวดหายไปเลยนิ่งสบายถึงแหมร่างกายยังอยู่แต่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรใจก็ไม่ไดิ้นรนแปลกแปลกสบายนั่งอยู่เฉย เรานั่ ง, งเลยเด็กปวดแสบปวดแสบอยากเป็ น, นโรคไหมโตัวโตัวโตัวมนได้ให้ถ้าอยากกอยากให้มันหา ย, ยาให้ห้พ อ, อยู่กับกกที่นยางตเดียวทันเวลาไปอยู่ที่กลัวๆแล้วพอที่มีอะไรความตัวเข้ามาก็เป็นโตัวอยู่เดียด๋วยวจต น, น, นะนั่งไปหาที่กลัวที่เสียเอรามันอยู่ที่สบายๆแล้วมันที่เก็บต่อหนาน คนไทยมันก็ไม <look> ่คิดถึงทุกทนแต่พอมันไม่เจอเหตุการที่จะเป็นจะตายเนี่ยทุกทวงตอนนี้นั่งอยู่บนบลูเดินเนี่ยเวลาขึ้น่องบินจะตเนี่ยไม่คิดถึงเรื่อะไรอะส่วนมอลการวุ่นไม่หนดเนะฮะอย่างนั้ถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในที่เปียกๆที่น่ากลัวตายแล้วต้องไม่ถึงความตายอยางนี้เราจะต้องตายเมื่อไหร่ก็ไม่รูอาจจะตายเดือนนี้ก็ได้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 ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรพอเสื่อแล้วก็รสึกว่าเอมันเาัสบาลอยากจะหยุดส่วมเพื่ออาชีพททโธคำนไปไม่ต้องไม่อยากพุทโธพทโก็ดูลงหายใจสอนไปเยที่กี่ดอ่าก็ดูลงายใจหมที่ไรจะหาอ่าก็ไม่ต้องส่อนไม่ต้องเสืไม่จำเป็นส่วนนี้จะเป็นใบเป็นเป็นี่คือว่าพ่อนาแบบเหอนกตอนมันพุทโธ ในการเดินายใจช่องกอดในการพิจรเดยวเาต่างขาที่สองตงจาเกิดแเจ็บตาอนิจังพิจารณกนอันนี้เขเรียกว่าแบบนี้ก็เรียกว่าปัญญาอบมสมาธิพิจารณาปัญญาด้วยปัญญาเดี๋ยวด้วยอนิจังพิจารณาลกันิจังาเกิดมาเีวเาต้องแก้ต้งเ็บต้องการเดียวความนั้นก็ต้องแก้ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวนี้กต้องแก้ต้องจต้องาร ตอนนี้มันก ja. ็จะหดเข้ามาเนมามาอันนแล้วก็หมดไปบายอุบายการทาจิตที่สะดวกมันมีหลายอย่างท่นอยางนี้ก็มาถามจิิษยนจจะหดของแต่บาคนไม่หลนบางคนก็ไม่ได้คิดพิจารณาความตายไม่ได้ครัวภาวนาไม่ได้เย่างพรามันมีจิตลุดหัวห้าเนี่ยคิดจิตศิษย์นี่จะถนัดเรื่องความตายอบของจิง ถ้าสัตยาสริตนี้ชอบพุโทโธชอบอพุโทโธทำพุทโธทำอยู่เสมอถ้ามโมหะสริตนี่จะชอบพญาง น, นาักติบิถถ้าโทสะสจิก็ชอบหายเมตต า, าเวลาโสนี้ต้องหายเมตตาถ้าเกิดถ้าราคะสริตก็ต้องใช้อสุา มัน้นเห็นว่าจิตของเราในขณะนั้นมันอยู่ในในในในัดเจริตไหนเราดีทั้งห้าเจริตเนี่ยเวลาเจริตไหนมันจะแรงกวบากันในเวลาใดตัวไหนจะเป็นที่เอกตอนนั้นเราก็ต้อําำกรรฐานที่ถูกมันจะโรคภายไข้เจ็บที่มีใ น, ในร่างกายเราเนี่ยมีทั้งปวดหัวมีทั้งปวดท้องมันต้นนองใช้ยาให้ถูกถู่เวลาระวังภาวนาเนี่ยเราต้องดูว่านนกรรมกรรมฐานที่ไหนมันถึงของเรา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 ก็เหมือ น, นกับเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการทางวิจิตรในสมัยส่ว<ช>นที่บาง ท, ท, ทีก็บอกว่าส่วนมนบท น, นี้มีอันสงแบบนี้แบบนั้นเหมือนวิจิตรมันเป็นอุบายของส ม, มาธินะครับนอกจากเราเข้าใจความหมายรวามหมายของวัตสูแต่ล้วก็ส่วนี่เหมือนกันสำนักจักท่กนานกระจาเรื่องเรื่อ ง, องมากแตบ คณะรักคณะศึกษาแสดงเรื่องไทยเรื่อง อ, งอนุตางถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วก็จะได้ความรู้ชนิดต่างกันหนั้นสือที่เราอ่านหนังสือกฎหมายก็จะได้ความรู้ทางด้านกฎหมายห น, นังสือทางการค้าขายก็จะได้ความรู้ทางด้นานการค้าขา ย, ขาขายบทเรียนรำส่วนนี้ก็เป็นคำสอนของผู้เรื่องเขื่อนมีท่านสอนหลากหลายความรู้ด้วยแยะ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 มางทีดูครบาอาจารย์บางคนท่านก็เหมือนแบบได้ส่วนของท่านเหมือนบางีท่านก็บอกว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรจะบทนี้นะแล้วก็อะไรมาช่วยอันเนี้ยมันเงินก็เป็นอุบายเพือให้เราคือท่านสอนคนหลระดับเลยค่ะที่เรื่องอะรทานกสอนแบบนี้แหเป็นการสอน้ราเรียนรับสิตใจเวลากั่งสทนจิตใจตัวเ ตอนยาวเขก็จ่านติดจางไม่ได้จะอา่านแบบสั้นๆแต่อย่างหลวู่มั่นสอนสอนชาวเขาให้พุทโธพุทโธอยนี้ก เ, ก เ, นเราจะให้ทา่านเดินชมชมคำถามว่าท่านทอะไรท่านห่าหาพุทโธถ้าทำหายยังไงวะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่ก็เป็่อุบายของนักปาดญ์สอเด็กนะหลวง่อยากสอนเด็กนะ จรลงเดี๋ยวใช้กินยาดิบางทีก็ต้องทำอะไรเพราะยานี่หวานอร่ยนะกินแล้วจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันก็จะเกิดชันท่าระยะอยกจะพูดน้ากที้ในในหนังสอส่วนบนเนี่ยของบางเล่มก็จะมีอย่างบางวัตถุส่วนวาโอยแรหนึ่งคําหรือสองคํสามคสี่ค่ำ้าคซึ่งมันจะแตต่างกันไป เราเราทำไมต้องให้มันมีเยอะถ้ามีเยอะนะจะสวดทีเดียวเ้่ากันหมดวันเดียวก็ไม่หวจะเลยจะเรียกมันกันเพื่อจะได้รักษาษาบทสวดไว้สืบท่อต่อไปในลูกหลานต่อไปทำไมเวลาไม่มีหนังสือถ้าถ้านีจะต้องสวนถ้าใจปเดียชน์แหนกันสวดกลุ่มนี้ก็สวดพระวินัยกลุ่มนี้ก็สวดพระพระสวดกลุ่มนี้ก็สวดพาะพิธั ก็จะได้สืบทอดคําสอนของพระเจ้าไม่ให้สูญหายไปสมาธนี้คนเราบที่เขียน ม, มากหรือไม่ีหนังสือรับก็อาจจะไม่สวดถ้าสวดกันน้อยแต่คนที่ส่วนเนี่ยจะได้นิสสังคือจิตใจจะได้สมาธิน้อจะได้สืบทอดคําสอนของพระเจ้าให้ให้ให้ไปสู่รูปหนังคนรุ่นหลังรุ่นหลังต่ อ, อไปคือในในบทสวดคือมันจะมีความหมายในทางทาาธรรมต้องไปทำตามพระวจนะ แต็คําสอนหนึ่งนันะที่จเรื่องใพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีแล้วก็มาตปลเนภาษาไทยแต่ก็ยังมีเยอะมากนะครับที่ยังยังมีการแปลซึ่งผมว่ามีกประารหมดแล้วทุกบทเลยนะพระไตรปิฎกนี้เขาแปลเป็นภาษาไทยแาไม่รู้กี่รอบแล้วแ่มื่้วเกิน็ตู้เหินนเ็มเ้าเร่งเนี่ย ก็เสียงนก็เล่นอย่แต่แต่ความจริงก็ไม่ต้องอ่านทังเล่นเพราะพระเจ้าสงสารเลยว่าสสารของพระพุทธองค์นั้นจะมีมากมายากงเหมือนกับน้าในมหาสมุทที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแต่น้ำในมหาสมุทรนี่ไปนต่าง่องนั้นก็มีรักเหมือนกันมันก็มีเค็งเหมือนกันคำสอนพระเจ้าอ่านดงนันก็สามวิธีดับทุกท้งนนั้นไม่ต้องอ่านทั้งเล่นแอกไม่ต้องอ่านทั้งทั้งพระไตรปิฎก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 มันก็มีไม่มากมีสักสี่ห้าสิบแต่ถ้าดีที่สุดก็คือไม่ต้องอ่านเลยก็ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นตู้ข้าวไตจุดดเคลื่อนที่อยู่กับท่านฟังเท่กับท่านเนี้ยพอละ<ม>ง่ายกว่าไ<ม>ปก่อนไ ย, ย<ม>อ่านตะไคร้ดดกไปอ่านอ่านแล้องืีก็หลงจับฝนทางท่านสอนทรนี้ทเน<ม>ี้ท่าสอนทานี้ก็ทำไปพิยารณาเนี้ยที่น่ารัก ให้ังเลยนะครับว่าเราเป็นคนดูช้ากัเอวามว่าเอกปัญญาเศรษฐานามิตาคติิิตตังปิจิตตังเป็นนั้นปิจิตตรงสังตสัจโตตัศน์มุรัยภตังขะตั้ จัมโนกนยารายาตาิสรยาัติวันตุโรโคิสตมเตาัรายิาโภะิวนติิมิจังมิจาปยโตาโรธมวิวันโขลา อาตุ